สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธนี่คือเสียงจากสิยิมบานะครับเรายังอยู่ในกฎทองคำข้อที่6กฎแห่งการรับใช้ในเช้าวันนี้ผมจะขอสรุปทั้ง12กฎแห่งการรับใช้จากหนังสือของท่านาศาสนาอาจารย์ด็อกรฟิลิปเทงนะครับแปลโดยท่านอาจารย์สุพิษวิจักโยทิน พี่น้องครับการที่คนเรามารับใช้พระเจ้านั้นพื้นฐานประการแรกก็คือว่าเขาจะต้องมาจากการสํานึกว่าการรับใช้คืออะไรการรับใช้นั้นคือการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเป็นการวอร์เนเชียหรือความสมัครใจที่ไม่มีใครบังคับที่เป็นความสมัครใจบริสุทธิ์เป็นความสมัครใจที่ไม่มีอะไรแอบแฝงเป็นความสมัครใจที่ไม่เสาะหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง ทุกคนที่รับใช้ควรจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในด้านการให้คุณค่าของการรับใช้แรงจูงใจของการรับใช้เพราะการให้ความสาคัญของคุณค่านี้เองครับก็ทำให้มี12กฎแห่งการรับใช้ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในวันก่อนๆ น, นั้นวันนี้จะสรุปทั้ง12บสกฎให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมครับว่า12กฎแห่งการรับใช้นั้นมีอะไร กฎแรกครับชีวิตสําคัญกว่าการกระทําชีวิตข้างในครับสำคัญกว่าการทําการที่เรียกว่า Be อิ่งสำคัญกว่าดูอิ่เพราะฉะนักของพระเจ้ากิจการบทที่1ข้อที่8ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกคําว่าเป็นพยานเป็นก็คือชีวิตที่เป็นครับคือ Be อิ่ชีวิตที่เป็น Be อิ่ชีวิตที่เป็นพยานครับนั่นคือประการแรก การกระทํานั้นดังกว่าคําสอนครับชีวิตดังกว่าสิ่งที่เราพูดกฎข้อที่2พระเจ้าที่ทรงประกอบพันธกิจหรือพระเจ้าผู้ทรงประกอบพันธกิจนั้นสําคัญกว่ามนุษย์ผู้ทรงประกอบพันธกิจพระเจ้าผู้ทรงประกอบพันธกิจสําคัญกว่าพันธกิจที่มนุษย์ทำํำพี่น้องครับ เพราะเจะ้พระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6กข้อสิเถึงยีเขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณ 5- 6กิโลดังนั้นเขาจึงรับพระโยมพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดีแล้วทันใดเรือก็ถึงฝั่งที่เขาไปนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในการเดินเรือนั้นสาวกเจอมรสุมสาวกก็ตีกันเชียงไปด้วยความยากลําบากนี่แหละครับในที่สุดเขาต้องพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการอธิษฐาน ขอเชิญพระเจ้าทรงประกอบกิจด้วยโปร่งเองและการประกอบกิจเชิญพระเจ้ามาประกอบกิจของโปร่งนั้นมีวิธีเดียวครับคือการอธิษฐานอธิษฐานทูลขอวิงวอนให้โปรโง่งทรงทํางานในกิจการบทที่6กข้อที่4บอกว่าฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในภันกิจแห่งพระวจนะเสมอไปเนี่ยครับคือสิ่งที่พระองพีสอนเราให้เรารู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงธรพันกิจนั้นยิ่งใหญ่กว่าพันธกิจที่มนุษย์ทำหรือยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์การทรงนำของพระเจ้าการพึ่งพาพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำพันธกิจครับประการที่3การเชื่อฟังหรือการยอมต่อพระเจ้าสำคัญกว่าการรับใช้พอชนะนั้นปรากฏอยู่ในกิจการบทที่8ข้อเป็นเรื่องเล่ของฟิลิปครับมีทูตองหนึ่ง ขององค์พระพู้เเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ต า, ตามทางที่ลงไปถึงเมืองกาซาฝ่ายเฟรลิปนั้นก็ลุกขึ้นและไปพี่น้องครับภานกิจของพระเจ้าจะไปถึงการกลับใจและความสาเร็จได้ของผู้คนต่างๆการเชื่อฟังสำคัญครับการเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญครับ หากฟิลิปไม่ยอมไปตามการทรงนำของพระ ญ, ญามิสูต์ภานกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จภานกิจที่ยิ่งใหญ่นี้คืออะไรครับเพราะาข้าราชการคนนี้นั้นเป็นขันทีของชาวเอธิโอเปียของพระนางคารดาสีมารับเชื่อพระเยซูเขาพอเสดจึงเผยแพร่และแพร่หลายกระจายไปยังแอฟริกาครับทั้งทวีปนี่แหละครับคือการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์การเชื่อฟังพระเจ้าสําคัญกว่างานรับใช้ ประการที่4ี่ครับพันธกรสสำคัญกว่าพันธกิจเพราะจ้าพระเจ้าปรากฏอยู่ในสองทิโมธีบทที่2ข้อ21ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็เป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างภาชนะที่มีค่าและบริสุทธิ์นั้นเป็นพื้นฐานสาคัญของการทาพันธกิจ พี่น้องครับพระเจ้าตรัส ก, กับเยเรมีผู้เผยพระเนะของพระเจ้าว่าถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทรามเจ้าจะเป็นเหมือนปากของเราเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้าแต่เจ้าอย่าหันไปหาเขาอันนี้ปรากฏอยู่ในเรยเยรมีนะครับบทที่ 15: บหข้อสิครับเราจะต้องเป็นภาชนะที่มีค่าพูดแต่สิ่งที่ประเสริฐไม่พูดสิ่งที่เลวทรามแล้วจะทําให้คนกลับใจครับเรา เป็นกระบอกเสียงเป็นประกาศศกของพระเจ้าประการที่5ครับทีมงานสําคัญกว่าการทํางานคนเดียวกิจการบทที่13ข้อที่1คราวนั้นในเคริสอจักรที่อยู่ที่อันทิโอกมีบางคนเป็นผู้พยากรณ์อาจารย์มีบารันาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิกเกอร์กับลูซิอสัสชาวเมืองไซรินมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาวโลคนเหล่านั้นกําลังนมัสการพระเจ้า กิจการบทที่6กข้อที่สบอกว่าฝ่ายพวกเราจะขมักขมนอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าในภันกิจแห่งพระวจะนะเสมอไปพี่น้องครับเราจะเห็นว่าทีมงานสําคัญครับเพราะว่าทีมงานของบรรดาอัครสาวกหรือสาวกของพระเยซูในคริสตจักรยุคแรกนั้นพระกัมภีรใช้คําว่าพวกเราฝ่ายเราพวกเราจะขมักขมนอธิษฐานผู้รับใช้หลายและคนมีตะลันแต่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการประกาศ ประการที่6ครับเหตุแห่งการกระทํานั้นสำคัญ2ทิโมธีบทที่ 1: ข้อที่5ความรักบังเกิดมาจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์สุภาษิตบทที่4ข้อ23จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจสุภาษิตบทที่16ข้อ32บุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้สุภาษิตบทท mm ี hmm. ่3ข้อ26 บุตรชายของเราเอ่ยขอใจของเจ้าให้เราเถิดและให้ตาของเจ้าสังเกต ด, ดูการกระทําของเราพี่น้องครับแรงจูงใจในการรับใช้สําคัญกว่าสําคัญกว่าเขารับใช้เพื่อแสวงหาเกียรติให้ตัวเองผลประโยชน์ชื่อเสียงตําแหน่งฐานะไม่ว่าเขาจะทําดีแค่ไหนล้วนไม่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าในที่สุดนั้นอนิจจาว่างเปล่าไปหมดครับพี่น้องครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้อย่าให้เป็นระบบของศาสนาอย่าให้เป็นระบบของการลึกถึงความดีความชอบของตัวเองอย่าให้อยู่ในลักษณะของการที่ว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆพี่น้องครับเหตุ <c oughs> แห่งการกระทำนั้นสำคัญไม่มีใครรู้นะครับมีแต่เราเท่านั้นที่รู้บางครั้งเราอาจจะหลอกตัวเองแต่พระเจ้า เราไม่สามารถหลอกได้ครับเพราะฉะนั้นให้เราสัตย์ซื่อต่อตัวเองและสัตย์ซื่อต่อพระเจนะของพระเจ้าสำรวจชีวิตของเราว่าแรงจูงใจแห่งการกระทําของเรานั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรประการที่7ครับพระเจ้าทรงรู้สําคัญกว่าการรู้ของมนุษย์หนึ่งโครินต์บทที่8ข้อที่3บอกว่าถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นพระเจ้าจะลื้ถึงเขา แค่พระเจ้าและลึกถึงเขาพี่น้องครับเราก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วนะครับมนุษย์จะรู้หรือไม่รู้เขาไม่สนใจการรับใช้แบบนี้ครับจึงเป็นการรับใช้ที่แท้จริงและเป็นการรับใช้ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าโปรดปรานไม่ต้องกังวลครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นคนอื่นไม่รู้พระเจ้ารู้ครับจิตใต้สานึกของเรานะครับอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าฉันทาอะไรบ้าง พี่น้องครับนี่แหละครับขอให้พระเจ้ารู้เราก็พึงพอใจแล้วขอพระเจ้ารู้ก็สุดยอดแล้วครับการทำดีนั้นการทำทานนั้นมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาได้ทำนั่นแหละครับคือการไม่ต้องไปเป่าร้องเป่าประกาศประการที่8ครับแบบอย่างสำคัญกว่าอำนาจแบบอย่างสำคัญกว่าอำนาจหนึ่งเปโตปรบทที่5ข้อที่3ไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อานาจ แต่เป็นแบบอย่างของฝงแกะนั้นพี่น้องครับผู้นำที่แท้จริงนั้นเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ครับใช้คุณธรรมชนะใจคนใช้คุณธรรมชนะใจคนอย่าใช้อำนาจชนะใจคนครับเพราะถ้าใช้อำนาจชนะใจคนชนะได้แค่ภายนอกเราจะได้ปากแต่ไม่ได้ใจครับคุณธรรมชนะใจคนดีกว่าเขาจะยอมทั้ง ร่างกายจิตใจเลยครับโลกนี้มี3วิธีที่ทำให้คนยอมรับกันได้ 1. ใช้กำลัง 2. ใช้เหตุผล 3. ใช้คุณธรรมผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องฝึกฝนที่จะเรียนรู้ใช้วิธีที่2และ3ครับคือใช้หลักการเหตุผลและใช้คุณธรรมในการหว่านล้อมในการที่เราจะจูงใจซึ่งกันและกันหนุนจิตจูใจซึ่งกันและกันที่จะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับประการที่9ความรักสาคัญกว่าของประธาน หนโครินบทที่12บและบทที่14กล่าวถึงของประธานครับแต่ระหว่าง2บทนี้อาจารย์บาโลท่านได้แทรกคําสอนที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดก็คือบทที่13ครับเป็นความรักความรักนั่นเองครับยิ่งใหญ่กว่าของประธานท่านเปรียบเทียบการทําดีความสามารถคือของประธานครับแต่สุดท้ายท่านสรุปว่าความรักยิ่งใหญ่ที่สุดมีค่ามากที่สุด อาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบอีก7ประการที่คนทนั้งหลายให้ความสําคัญคือการพูดภาษปาแปลกๆ ก, ก็ดีภาษามนุษย์ภาษาสวรรค์ก็ดีเผยพระชนะได้เข้าใจความล้ําลึกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีความรู้มีความเชื่อมีการกระทําของศาสนกิจพติแท้กรรมกา ร, กรศาสนามีความหวังแต่สรุปสุดท้ายของท่านก็คือว่าจะต้องมีความรักและความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องครับประการที่10ครับ การรับการเจิมสําคัญกว่าการเผยพระจนะในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่ 27-28 ยการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นี้ดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านอีกเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนให้ท่านรู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นอยู่กับพระองค์ พี่น้องครับการเจิมสําคัญครับการเจิมนั้นจะมาในภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าพี่น้องเราอยากจะเผยภาชนะเราต้องรับการเจิมครับการเผยภาชนะที่รับการเจิมนั้นมีสาเหตุ4ประการ 1. เป็นภาชนะของพระเจ้า 2. พระวิญญาณจะทํางานเจิมในพันธสัญญาเดิม 3. จิตวิญญาณ อุปนิสัยของผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องสอดคล้องกัน 4. จิตสำนึกรับผิดชอบของผู้ฟังเขาจะต้องได้รับการดลใจพี่น้องครับการเผยเพระชนะนั้นสาคัญครับแต่การเจิมสำคัญกว่าเพราะการเจิมนั้นเข้าไปถึงหัวใจเข้าไปถึงชีวิตและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อีก2ประการสุดท้ายครับประการที่11ตัวคนนั้นสำคัญกว่าตัวกิจกรรม วิวรณ์บทที่ 3, ข้อที่1ครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริ จ, จักซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิ ญ, ญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดาราเจดวงนั้นได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าเรารู้แนวทางการกระทำของเจ้าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายแล้วมีคริ จ, จักมากมายครับทำงานโดยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเขาเข้าใจผิดคิดว่าสร้างกิจกรรมยิ่งเยอะประสบความสาเร็จยิ่งมาก แต่ว่าขาดการเอาใจใส่สร้างสรรสร้างสาวกเอาใจใส่ตัวคนครับในที่สุดก็จะมีรายการมากกว่าคุณภาพแท้แท้ฝ่ายจิตวิญญาณตรงตามที่องค์ผู้พป็นเจ้าตรัสว่าตามชื่อนั้นเจ้ามีชีวิตอยู่แท้จริงเจ้าได้ตายแล้วพิองครับการรับใช้ในตัวบุคคล น, นั้นเป็นการรับใช้ที่ยั่งยืนครับไม่เหมือนกับรับใช้แบบไม้ยาแห้งฟางในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่ 3: าม ในที่สุดการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนและตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่เตือนสติลวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อให้ใส่ใจยึดมั่นในรากฐานแห่งความเชื่อเป้าหมายของการรับใช้คือการสร้างผลงานที่คงทนครับจุดสำคัญอยู่ที่คุณภาพจุดสาคัญอยู่ที่ชีวิตของคนครับไม่ใช่กิจกรรม หลายครั้งทีเดียวเรามีปัญหากันเรื่องกิจกรรมเรื่องวิธีการต่างๆแต่เราไม่แคร์คนเราไม่ใส่ใจคนเราไม่สนใจว่าคนจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงพี่น้องครับนี่คือหัวข้อที่สิหัวข้อที่12ครับเป้าหมายระยะยาวสําคัญกว่าเป้าหมายระยะสัน้น2องทีมวยทีบทที่1ข้อที่5ครับข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโล伊สยายของท่าน และในยูนิสมันดาของท่านและบดนี้เขาพยาาเชื่อว่ามีอยู่ในท่านพี่น้องครับเป้าหมายระยะยาวสำคัญและผู้ที่จะเห็นเป้าหมายระยะยาวได้ก็คือผู้ที่ได้อยู่ในพระสวงของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในหัวใจของพระองค์ผู้ที่มีหัวใจของพระเยซูอยู่ในชีวิตและความเชื่อเหล่านี้ล่ะครับเป็นความเชื่อที่จะส่งผ่านความศรัทธาความเชื่อผ่าน ลงยุคสู่ยุคพี่น้องครับเราจะต้องใส่ใจในการเผยแพร่ประกาศเผยแพร่ประกาศเขา่เปป า, เขาประเสริฐใส่ใจในการเลี้ยงดูใส่ใจในการสร้างให้เป็นสาวกสร้างคนที่เป็นสาวกสร้างคนทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรนั้นให้เป็นสาวกครับการทำงานกับคนอีกรุ่นหนึ่งคือเป้าหมายระยะยาวของคริสตจกักรพี่น้องครับการเริ่มต้นงานลาวีเด็ก หรือเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากเด็กยังสม่ำเสมอและยั่งยืนจะทำให้ชีวิตของเขานั้นไม่พลาดจากทางของพระเจ้าคริสตจักรนั้นจะต้องลงทุนลงแรงลงคําอธิษฐานเพื่อให้มากสำหรับเยาวชนคนรุ่นหลังลดลงให้พี่น้องที่รักในคริสตจักรนั้นมีทัศนคติที่ถูกต้องพี่น้องครับนี่คือสิบองกฎในการรับใช้พระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะพิจารณาถึงกฎเหล่านี้อย่างสม่าเสมอเพื่อที่จะปรับตัวเองกลับใจใหม่และเริ่มต้นกับพระเจ้าการรับใช้ของเราจะไม่เป็นการรับใช้ที่อนิจจังแต่จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมน